พระพุทธเจ้าท่านวางกฎระเบียบเอาไว้เราก็ต้องเข้าไปศึกษาและปฏิบัติตามกฎระเบียบนั้นเราต้องศึกษากฎระเบียบวินยัยที่พระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้า ว, วางไว้ถือกันมาตั้งแต่โบราณโบราณการพระวินยัยมีกฎระเบียบอยู่แล้วให้เราศึกษานะเหมือนกับกฎระเบียบของประเทศชาติแต่ละประเทศนั่นแหนะเหมือนกับเราไปประเทศ มาเลเซียอย่างเนี้ยเขามีกฎหมายอย่างเคร่งครัดอย่างนี้ถ้าหาว่าใครก็ตามมีอาวุธปืนยกตัวอย่างนะถึงจะมีลูกกระสุนหรืออะไรก็ตามไม่มีลูกนั่นก็โทษประหารอย่างนี้เราจะไปว่าทําไมเมืองไทยเพียงแต่จับติดคุกเท่านั้นทําไมประเทศนี้ทําไมเป็นอย่างนั้นมันไม่ได้เพราะกฎของเขากฎประเทศของเขาเขาวางไว้อย่างนั้น เพราะนั้นเราก็ต้องเข้าไปศึกษาแล้วแต่แต่และประเทศเขาก็มีกฎระเบียบของเขาเพราะเขารักษาประเทศของเขาอันนี้ในหลักของพระพุทธศาสนาก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าท่านวางกฎระเบียบเอาไว้ท่านว่าเนี่ยห้ามจับต้องกายหญิงอย่างนี้ยเป็นโทษแต่คนเราทุกคนจับก็ไม่เป็นไรจับเด็กจับมือเด็กก็ได้แต่พระบวชเข้ามาแล้วจับไม่ได้อย่างไงเพราะเหตุใดก็เพราะว่ากฎระเบียบของพระพุทธเจ้าท่านวางไว้แล้ว เราก็ต้องรักษาเราก็ต้องศึกษาและก็ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่พระพุทธเจ้าวางเอาไว้เพราะนั้นเราจะไปเอาตามมัธาใจตามอําเภอใจที่เราคิดว่าไม่เป็นไรไม่ได้เราต้องศึกษากฎระเบียบวินยัยที่พระพุทธศาสนาพุทธเจ้าวางาไว้ถือกันมาตั้งแต่โบราณโบราณการพระวินัยนมีกฎระเบียบอยู่แล้วให้เราศึกษา เหมือนกับกฎระเบียบของประเทศชาติแต่ละประเทศนั่นและแล้วก็ในช่วงนี้นเป็นช่วงที่เข้าเขตระดูฝนบางทีอาจจะมีพายุพายุลมนะอันนี้ก็หลวงพ่อขอเตือนพวกลูกหลานทั้งหลายที่เข้ามาอยู่วัดของหลวงพ่อเพราะว่าพิษภัยที่จะเกิดขึ้นภายในวัดมีอะไรบ้างหลวงพ่อในฐานะที่เป็น พ่อเป็นเจ้าของวัดก็ควรจะแจ้งข่าวผู้ที่เข้ามาศึกษาเข้ามาใหม่ให้รู้ว่าพิษภัยในวัดของเราเนี่เราจะเตรียมตัวอย่างไรบ้าง เ, เมื่อเข้ามาอยู่แต่ไม่ใช่ให้กลัวนะไม่ใช่ให้กลัวไปที่ไหนก็มีพิษภัยทั้งหมดนะถ้าเรานั่งรถยนต์เราควรทําตัวยังไงรัดเข็มขัดอย่างนี้ลัดทําไมอันนี้ก็มันมีกฎเกณฑ์ของเขาเพื่ อ, ออันตรายของผู้ที่ อยู่ในรถอันนี้ก็เหมือนกันไปนักสถานที่ใดเขาก็ต้องไปในเรือเขาก็ต้องให้ใส่เครื่องชูชีพเพื่อมาให้จมน้ำนะํำต้องให้ใส่อันนี้เมื่อมาสู่วัดของหลวงพ่อหลวงพ่อก็ต้องแนะนำว่าเออในวัดของเรานี่ผิดภัยนะที่เรามาอยู่เป็นหน้านี้เป็นหน้าเข้าเขียดฤดูเกือบฤดูร้อนต่อฤดูฝน บางครั้งก็จะมีพายุมานะพายุลมแรงเมื่อเราเรามีพายุลมแรงถ้าอยู่ในกลางท้องนาเขาไม่เป็นไรแต่เนี่ยเราอยู่ในป่าดงต้นไม้ใหญ่อย่างที่พวกเราเห็นถ้าว่าเราอยู่เสียงลมมาเนี่ยเราก็เฉยบางทีต้นไม้อจะล้มทับกุฏิเราก็ได้เพราะนั้นถ้าเราได้ยินเสียงลมนะมาเราจะเป็นนอนทีเดียวแต่โดยมากมันจะมาประมาณชักบ่ายสีห้าโมงเย็นกลางคืนมันจะไม่มาลม โดยมากที่อยู่อยู่ที่นี่โดยมากแต่ตอนเย็นเ็นตอนหัวคนะ่าหรือว่าตอนบ่ายๆโดยมากลมจะมาในช่วงนั้นลมแรงนะอาจจะเป็นธรรมชาติของมันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะทีนี้เมื่อเราได้ยินเสียงลมเราก็ควรจะเมื่อเราอยู่เดียวนี่แหละให้เราสังเกตเรามองดูต้นไม้รอบๆข้างกุฏิของเราเออถ้าเราอยู่ตรงนี้ ถ้าไม้ล้มโค่นลงมาจะถึงกุฏิเราไม้เนี่ยแต่อย่างที่สาราอย่างเนี้ยเรามองดูแล้วไม่มีต้นไม้ต้นไหนจะโค่นมาถึงได้โค่นมาไม่ถึงเ่รางั้นไม่ถึงสาราของเราแล้วว่าปลอดภัยถาว่าต้นไม้โค่นลงมาะฉะนั้นให้พวกเราให้สังเกตในขณะที่ อยู่ที่กุติของตนเองป่าจะมีต้นไม้โค่นไหมถึงไหมให้ดูดูสะกกอดแต่ละหลังไม่เหมือนกันแต่ถ้าว่าพวกเราคิดว่าเออต้นไม้อาจจะโค่นมาถึงนะเราอาจจะไปอยู่ที่กุติหลังไหนที่ไม้โค่นไม่ถึงแต่หลวงพ่อบอกท่าว่าลมแรงมากๆที่ปลอดภัยที่สุดก็คือใต้ถุนศาลาหลังนี้ถึงยังไงยังไงก็บลมมายัางไงก็ต้นไม้โค่นไม่ถึง เพราะฉะนั้นให้ลูกหลานทั้งหลายที่เป็นผู้ที่เข้ามาอยู่ที่วัดหลวงพอ่อนะครคือพิษภัยอันหนึ่งที่พวกเราจะต้องรักษาไม่ใช่ว่าลมแรงมาพวกเราก็ยืนโดเดหรือยืนเฉยอันตรายนะ่ไม้ของเรามันเราไม่รู้ว่าต้นไหนโคนของมันเน่าแล้วโคนของมันที่จะล้มแล้วกิ่งของมันแห้งข้างบนมันจะตุดหล่นลงมาเพราะนั้นได้ยินเสียงลมดังอู๋อูม๋มเสียงดังดังเสียงลม เราก็ต้องหาที่หลบหรือว่าพยายามปิ่งมาที่ศาลาก่อนก็ได้หรือว่าหลบอยู่ที่กุฏิหลังไหนที่ต้นไม้จะโค่นไม่ถึงลงไม่ถึงเพราะมันกุฏิหลังที่มันว่างก็มีอยู่ติดไม้ไม่ถึงอันนี้ก็ให้สังเกตไว้ก่อนนะอันนี้คือความปลอดภัยในตัวของเราเองนั่นแหละอันดับที่สองก็คือสัตว์ที่อยู่ในวัดของเราที่ให้ละมัด ระวังก็คือชนีเนี่ยไอ้สมชายที่ที่มันร้องโกโอกเนี่ยพวกเราได้ยินถ้าว่าไปอยู่ใกล้ใครอย่าไปวิาสาสะกับมันอย่าไปคุ้นเชื่องกับมันอย่าจะเฉยอ่าอ ง, งั้นเถอะพอเห็นขึ้นมาแล้วเราก็ต้องพยายามเตรียมล่มหรือเตรียมไม้กวาดอะไรก็ได้อย่างน้อยก็เตรียมไม้หมัดมวยไทยเตรียมมาไว้อ่างนั้นเถอะถ้ามันมาก็ทั้งศอกทั้งเข่าอ่างั้นเถอะเออเอาเลยเอ เพราะนั้นอย่าไปเฉยๆมรัยนักโดดเกาะคอนะแล้วก็กัดเนีแต่มันก็ไม่ทําอะไรหรอกถ้าเราเตรียมพร้อมแล้วก็ไม่เป็นไรมันโดยมากมันเหมือนกับ น, น่ารักนะมันเข้ามาเดินเข้ามาสองขามาจับมือผลสุดเราเผลอมันกระโดดเกาะคอนะอันนี้ก็ให้ระวังนอกจากนั้นแล้วก็ไม่มีสัตว์ตัวไหนหรอกที่เป็นพิษภัยแต่ถึงยังไงก็ตามชะนีไม่ต้องกลัวมันเพราะว่าเขี้ยวของมันที่เป็นเขี้ยวหมาที่เขี้ยวยาวๆนั้นเขาตัดออกแล้ว มันมีตะฟันธรรมดาถึงจะกัดมันก็ไม่มีอะไรจะกัดแต่กลัวเล็บมันเท่านั้นแหะตะกุยตะกายเท่านั้นแหละบางทีมันตะกุยเข้ามามันอาจจะถูกตาถูกหูถูกอะไรของเราก็ได้เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องระวังนะสัตว์อย่างอื่นไม่มีปัญหาแต่ ง, งูพวกงูพวกอะไรก็ไม่ค่อยมีหรอกเดียวนี้หมูป่าเนะี่ยเราอย่าไปคุ้นไปเชื่องกับมันถ้าเห็นลูกหมูป่าหมูป่าที่มันมีลูกเราอย่าไปใกล้เหมือนกับสัตว์ทั่วไปนะนะั่นแหะ ถ้าเห็นหมา เ, เป็นลูกไกล้ลูกหมามันก็มันห่วงลูกของมันห่วงลูกของมันมันก็อาจจะกัดคนได้อย่างไก่อย่างนี้ขนาดขนาดไก่อยนี้เราไปใกล้ลูกของมันมันก็ยังกระโดดมาเตะคนได้หมูก็เหมือนกันอันตรายถ้าเห็นหมูเราก็พยายามห่างๆเอาไว้แล้วก็ให้มันไล่ไล่ให้มันไปไปถ้าก่อนยังค่อยเดินอันนี้ก็ไม่เค ย, ไ ม, เคยมไม่เคยมีพิษภัยสําหรับวัดของเราหมูถึงจะเป็นร้อยเป็นร้อยๆยตัวน่ะถ้าอยากจะเห็นกันเนี่ย เวลาทานอาหารเศษอาหารเข้ากล่นบาดให้พวกเรานักศึกษาไปดูก็ได้หมูมันเยอะเออมันกินอาหารเข้าก้นบาดเป็นสี่ห้าหกสิบเจ็ตัวเนะ่ยเพราะฉะนั้นบางตัวก็เขี้ยวโค้งก็มีเพราะฉนั้นเราอย่าไปให้วิสาสะกับมันอย่างลิงก็เหมือนกันลิงห้ามให้อาหารบริเวณที่ศาลาเราจะให้ก็ให้ในป่าโดยมากเราจะให้ในป่าพวกกล้วยพวก มันพวกอาหารต่างๆเราจะไปเทลงในป่านะตัวโกงลักโกเราก็เทลงในป่าให้มันไปกินอยู่นู่นไม่ให้มันมาคุ้นเชื่องกับคนทาว่ามันมาใกล้คนเราให้อาหารมันมันก็มาป้วนเปียนแถวนี้มันได้กินอาหารผลในสุดก็มารื้อของอะไรตัวนี้เออลื้อซาลงรื้อซาลารื้อสิ่งของเพราะมันไม่ได้กินเนี่ยน่ะเป็นเป็นเพื่อนกับปริงเนี่ยเป็นมิตรสหายกับปริงไม่ดีนะมีแต่เรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวาย แต่ลิงอยู่ในใจของเราเราก็ยุ่งวุ่นวายอยู่แล้วเราจะไปเป็นพี่น้องกับลิงอีกไม่ได้นะเรามีเมตตาแต่เราก็ต้องมีเมตตาอีกแบบหนึ่งไม่ใช่เมตตาแล้วก็จับมือจับไม้ของมันมันจะกัดนอนพอมันเป็นพิษเป็นภัยขึ้นมายังค่อยมาแก้ไขที่หลังอั น, นั้นไปนว่าไม่ว่าโง่จะว่า ย, ยังไงโง่เซอร์เพราะงั้นขาดความรอบคอบเพราะงั้นนะเป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะนั้นเราต้องรักษาแต่ต้นมือลิงเป็นยังไงเราก็ต้องรู้จักอยู่แล้ว อาหารเราเอาไปให้ไกลๆอันนี้เราก็ให้มันอยู่พวกมันสุมปลลงมันซ้ำปลาลังเออเอาให้เป็นตันๆนะี่ยไปเทลงตามลงไปบางทีก็มีกล้วยก็โยนกล้วยเข้าไปแล้วกงแล้วก็สัตว์ป่าสรุปแล้วก็คือวัดของเราเป็นสวนสัตว์เปิดนะสวนสัตว์เปิดมีทั้งปูทั้งปลาปลาในน้าผลในหวานเอาหงอาหารให้มันกินอยู่พปลามันก็เยอะน่าสงสารมันเหมือนกันน้าแล้งไม่มีอาหารกินนี่แหละ แต่สำหรับงูงูมนะันมีไหมมีงูเหลือมมีงูจงอา ง, งูเห่ามีแต่ก่อนมีเยอะอีกต่างหากแต่นี้พอหมูปา่าพอมีหมูป่ามเยอะเนี่ยก็เลยทําให้งูล่อยหลอลงไปเพราะหมู เ, เป็นจัตรู ก, กันกับงูแล้วงั้นแต่หมูกินงูพูดง่ายๆก็เลยงูก็เลยพวกเราไม่ค่อยเห็นแต่ก่อนไปที่ไหนเห็นแต่งูในวัดเราพวเป็นป่ารงอุดมสมบูรณ์ด้วยน้ําอีกต่างหาก ที่หลบซ่อนมันก่อมีเยอะเพราะนั้นตะก่อนเนี่ยงูเนี่ยทั้งงูจงอางงูเห่างูเหลือมงูอะไรเราจะเห็นบ่อยแต่ละวันเนี่ยไม่มีใครไม่เห็นงูไม่มีว่างั้นแต่เดี๋ยวนี้หาไม่มีแล้วงูงูเหล่านั้นเพราะว่าหมูป่ามันหากินอในดินเนี่ยมันเห็นงูมันก็นไล่งับเลยกิน ง, งนนูเพราะนั้นงูทั้งหลายแลไรก็เลยหายเงียบไม่รู้เห่าจงอางอะไรมันกินหมดว่างั้นเพราะว่าหมูป่ามันเร็วกว่าเลย ชั้นเชิงมันเร็วกว่าชนะกับสัตว์ทั้งหลายหมดว่างั้นแหละคนนั้นเรื่องงูนี่ลวงพ่อก็ไม่ห่วงสําหรับพวกเราแต่เป็นห่วงกับเรื่องนี้แหละเอื้องชนีตัวเดียวนั่นแนหะแต่มันก็ไม่ค่อยมีอะไรถ้ า, ถาเราถ้าเราเรียนรู้มันแล้วรู้มันแล้วนะอย่างนี้แล้วน ะ, อ, ะอยังให้ชนีกัดอยู่ยังเป็นเบี้ยล่างของชนีอยู่แสดงว่าใช่ไม่ได้นะพวกเรานะเอะพอหลวงพ่อเตือนแล้วนี่ถ้าหางว่าพวกเรา เห็นชนีแล้วเตรียมพร้อมไว้ range. อย่าไปให้วิสาสะกับมันมันไม่วิสาสะกับมันให้มันเป็นสัตวติรชานเราจะไปให้วิสาสะกับมันไม่ได้ไปคุ้นเชื่องกับมันไม่ได้ต้องเตรียมพร้อมถ้าเราจะให้เราก็ต้องให้อาหารโยนทิ้งไกลๆเอ้ามึงไปก <t> ินนู่นจะ่าไปหาวิสาสะเป็นลูบหลังลูบมือมันไม่ได้เลมันกระโดดเกาะคอได้ง่ายๆและก็เพล่เพลเล็บของมันอาจจะเกาะตาของเราก็ได้อันตรายอันนี้ก็คือบอกกล่าว ให้พวกเรารับทราบหรือว่าพวกเรามาอยู่ด้วยกันนะเวลาอยู่กุฏิแต่ละหลังเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยทำยังไงอันนี้ก็หลวงพ่อก็แจ้งให้กับพระเนนทุกองผู้ที่เขามาอยู่ด้วยให้บอกกล่าวให้ทราบไว้ถ้าใครก็ตามไม่สบายไม่สามารถที่จะเดินไปหาหมูได้เราก็เตรียมค้อนเตรียมไม้เตรียมไม้กวาดอะไรก็ได้ก้อนหินก็ได้ เราจะเคาะฝาน่ยดังปองปองปองปองปองปองปองปองปองปองปององที่อยู่ใกล้หรือผู้ที่อยู่ใกล้ได้ยินเสียงผิดสังเกตอย่างนั้นให้รีบไปหาให้รีบไปหากันไม่ใช่เฉยนะไม่รู้วันนั้นไปว่าให้สัญญาณกันไปว่าให้สัญญาณว่าผมถูกงูกัดแล้วผมไม่สามารถจะเดินได้หรือว่าผมเป็นลมหรือผมปวดท้องหรือว่าผมเป็นไข้ผมไม่สามารถที่จะไปหาหมูได้ เคาะไม้ขึ้นม า, มาพวกอยู่ใกล้ก็ต้องเข้าไปหาก็าเป็นไรมีอะไรองค์นั้นก็ไปโอ้ผมไม่สบายหนิงองคนั้นพอได้ยินก็องนั้นก็ต้องวิ่งไปบอกหมู่อีกลงไปบอกครูบายจานหมูพวกเพื่อนด้วยพระเวียศาลาหนิองค์นี้ก็ต้องกลับเข้ามาหากลับเข้ามาหาดูหกองค์ที่ป่วยมาเฝ้าองค์ป่วยเมื่อองค์นั้นได้สั่งไปแล้วองนั้นก็ต้องวิ่งมาบอกพระเวนาาีเเวนศาลาเวียรศาลาเราได้เตรียมพร้อมไว้อยู่แล้วเวียนศาลาเมื่อ มีอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นภายในวัดเวนซาราก็ต้องประสานกับครูบาอาจารย์เตรียมรถเตรียมลาอะไรส่งที่ไหนอย่างไรปรึกษากันแล้วเพราะฉะนั้นพวกเราไม่ต้องห่วงแต่ถึงยังไงพวกเราก็เป็นนักศึกษาแพทย์อยู่แล้วพื้นฐานที่รักษาตัวนั่นก็เต็มตัวอยู่แล้วเพราะเป็นนักศึกษาแพทย์หลวงพ่อวพวก็ไม่ห่วงเรื่องนี้แต่ว่ากฎระเบียบภายในวัดเนี่ยควรทําอย่างไรเมื่อเข้ามา อยู่ณนะสถานที่นี้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยค่ำคืนจะทำอย่างไร อ, อ, อย่างเนี้ยแต่ ก, ก่อนยังมีพระบางองค์สะบัดคอตัวเองเออพอสะบัดคอตัวเองมันเป็นลมเลยท่นี่ยเลยท่นนี้อยู่มันก็นเหมือนกับนั่นแหละพลทนิสสุก็เลยเดินที่ไหนไม่ได้ก็ต้องไ้เคาะหาไม้เคาะพื้นพระก็ได้วิ่งไปดูกันต้องประถมพยาบาลนี่แหละ อย่างนั้นมันมีเพราะงั้นปอนั้นอันนี้ก็บอกไว้ให้พวกเราทุกคนนะไม่ต้องวิตกไม่ต้องกังวลเวลามีอะไรเกิดขึ้นก็ต้อเอาไม้เคาะฝากระดานเพราะข้างฝาเนี่ยดังปังปังปังแต่ว่าตอนเย็นอย่าไปเคาะไม้เล่นนะไม่ได้นะคิดสนุกขึ้นมากับไปเคาะไม้เล่นไม่ได้นะเวลาหมูมาเนี่ยมีอะไรเฮ้ยผมเคาะไม้เล่นเฉยๆหรอกเนี่ยพอต่อมาเคาะขึ้นมามันเคยเคาะไม้เล่นเฉยๆเลยไม่ไปมันหรอก พลที่สูงก็เลยเป็นไม่เป็นผลดีสําหรับตนเองเหมือนกับเด็กเลี้ยงแกะอย่างนั้นแหะเด็กเลี้ยงแกะหนึ่งเราเคยได้ยินมริทานอิศุปพอคิดสนุกขึ้นมากกันหมาป่ากัดแกะหมาป่ากัดแกะก็วิ่งมาพวกผู้ใหญ่ก็วิ่งไปไปที่ไหนผมล่อเล่นเฉยๆแล้วมันไม่ได้กัดหรอกไม่มีอะไรหรอกผู้ใหญ่ก็เออทำไมทำอย่างงี้ต่อมาหมาป่ากัดแกะจริงๆทีนี้ วิ่งไปหาเขาไอ้มึงจะโกหกกูอะมึงจะมาบอกกู เ, เด็กโกหกเลยผลที่สุด ก, ก็เลยหมาป่าก็เลยกัดแกะจริงจริงเหมนกันนะเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันนะั่นแหละนะถ้าว่าใครจะไปเคาะไม้เล่นไม่ได้นะเนี่ยไม่เป็นผลดีสําหรับตนเองต่อไปหมูที่อยู่ใกล้ก็มันเคาะไม้จะคิดมาเคาะเวลาไหนก็เคาะนะเราไม่ไปหรอกที่ไหนได้ตัวเองเจ็บไข้ได้ป่วยเรียกร้องหาหมูหมูก็เลยไม่ไปใกล้ เพราะนั้นสิ่งนี้ก็อต้องระมัดระวังพอค่าผิดเวลาผิดสังเกตแล้วอย่าไปเคาะไม้อยู่ด้วยความสงบอันนี้นก็คือเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยได้สอนกันไว้บอกกันไว้นะไม่ว่าพระเก่าไม่ว่าพระใหม่ละทุกองค์แต่ว่าเรื่องพิจต ก, กังวลเรื่องโรงพยาบาลเรื่องหยุกเรื่องยาเรื่องหมอไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่าโรงพยาบาลก็อยู่ มุมรั่วของเราเราเดินบินทัพป่าเห็นไหมโรงพยาบาลอำเภอนายุงอย่างน้อยเขาก็มียาปฐมพยาบาลเบื้องต้นมีหมอประจําอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพวกเราไม่ต้องห่วงเรื่องสุขภาพเจ็บไข้ได้ป่วยท้าว่าเล็กๆน้อยๆถ้ามันใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ส่งตามขั้นตอนลงไปเราคิดว่าเนี่ยแะถึงอยู่ที่ไหนก็ตายได้ทั้งนั้นแหะถึงจะอยู่กับมือหมอก็ตาย พวกจริงพวกเราเคยอยู่กับโรงพยาบาลใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยตายวันละกี่คนอยู่ที่ไหนตายทั้งหมดเกิดมาเท่าไหร่ตายเท่านั้นเพราะนั้นก่อนที่จะตายให้สั่งสมคุณงามความดีเอาไว้อ น, นั่นแหละสําคัญนะสำคั ญ, นะคญที่ก่อนที่จะตายให้สั่งสมบุญเอาไว้ตายแล้วไม่สูนตายแล้วเกิดอีกพบนายชาติหน้ามีจริงนะพวกเรามาบวชในครั้งในเดือนเดียวนะให้เราพิสูจน์นะมาพิสูจน์เรื่องตายแล้วเกิดตายแล้วสูนเนี่ย เขาพูดไเจ้าท่านไปพิสูจน์อยู่ถึงหปีท่านอยู่ในป่าพิสูจน์ตายแล้วเกิดตายแล้วสูญนรกสวรรค์มีจริงหรือไม่ตายแล้วไปยังไงมีภพภูมิเท่าไหร่นั่นแหะพวกเรามาให้มาดูใจของตนเองมาบวชในครั้งนี้ถ้าพวกเรานั่งภาวนาจิตสงบแล้วพวกเราจะรู้ได้โดยตนเองว่าตายแล้วร่างกายแตกตายสลายแต่จิตใจนั้นนามธรรมานั้น จะต้องออกจากร่างไปปฏิสนธิในพบภูมิต่างๆได้อีกนี่แหละพวกเรามาศึกษาในครั้งนี้วิชาการต่างๆวิชาทางโลกทั่วไปมแตรสอนเขาสอนให้คิดนะสอนให้เรียนแล้วก็คิดก็ไกลข้อใครข้อขวดขอค ว, ค ว, ควอบวกลบคูณหารเลขหนึ่ง6 7สสี่ห้าบวกทำยังไงลบทำยังไง คุณทำยังไงหารทำยังไงเขาสอนให้คิดอยากนั้นกับวิศวะเขาสอนให้คิดวิชาแพทย์หมอตอนแรกก็สอนให้คิดสอนให้หยุดคิดเนี่ยไม่มีมีแต่หลักของพุทธศาสนาเท่านั้นเพราะฉนั้นพวกเราที่มาคราวนี้พระพุทธเจ้าสอนให้หยุดคิดจะทํำยังไงจึงหยุดคิดได้วิธีคิดคิดยังไงเวลาหยุดคิดทํำยังไง แต่วิชาทางโลกที่พวกเราได้ศึกษามีไหมวิชาให้หยุดคิดไม่มีนะมีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นสอนให้หยุดคิดหยุดคิดคือทํำยังไงคือทําสมาธินะทำสมาธิทําจิตให้เป็นหนึ่งให้หยุดคิดแบบนั้นเถอถ้าว่าคิดเนี่ยคือปุ่งฟุ้งออกไปข้างนอกอันนี้หยุดคิดคือทําใจให้เป็นหนึ่งทำจิตให้สงบกําหนดยังไงใจจึงจะเป็นหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านว่าเมื่อใจเป็นหนึ่งแล้วใจสงบแล้วนั่นแหละ นัตติสันติป ร, รังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเพราะนั้นพวกเรามาศึกษาในครั้งนี้กันเนี่ยนะมาศึกษาเรื่องวิธีการให้หยุดคิดนะเพราะนั้นให้หยุดคิดให้ได้มาครั้งนี้ถ้าว่าเราหยุดคิดได้นะั้นคุ้มค่านะคุ้มค่าจริงๆวพางัน้นเนแต่ว่าเรื่องคิดเราไม่ต้องพูดถึงเราปรุงทั้งวันทั้งคืนทั้งยืนทั้งเดินทั้งหลับทั้งนอนนะ บางทีนอนไปก็ยังฝันไปอีกว่างั้นมันยังคิดอยู่เพราะฉนั้นหยุดคิดเนี่ยพวกเรายังไม่เคยพบเคยเจอเคยเห็นเพราะนั้นมาครั้งนี้ให้พวกเรามาศึกษาวิธีการปิดและวิธีการเปิดเปิดก็คือคิดปิดนั่นก็คือให้อยู่ในกรอบให้อยู่นิ่งปิดประตูให้อยู่ในบ้านแต่เปิดนั่นแหออกไปทํางานนั่นโดยมากมิถะเปิดออกทํางานกันตลอด บางทีก็ยังไม่รู้จว่าออกไปที่ไหนบ้างเพราะนั้นพวกเราทุกคนหน้าที่มาศึกษาในครั้งนี้มาศึกษาในเรื่องหลักของพระพุทธศาสนามาศึกษาเรื่องสมาธิกับปัญญาสมถะและวิปัสสนาสมถะคือทําจิตให้สงบคือหยุดคิดวิธีการหยุดคิดนะทํำยังไงวิธีการคิดนะั้คิดยังไงนี่แหละที่พวกเรามาศึกษาครั้งนี้นะต่อเ น, นี้ไปรับพรในทะี่นี้นะ หลวงพ่อได้กล่าวเรื่องการเป็นอยู่ของพวกเราผิดภัยที่จะเกิดขึ้นภายในวัดมีอะไรบ้างตลอนถึงกฎระเบียบการเป็นอยู่ของพระกรรมฐานพระพุทธศาสนาทมวินัยของพระพุทธเจ้าบัญญัติอย่างไรพวกเราจะไปถือเออทั้งโลกเขาไม่เห็นผิดเนี่ยเรามาทาอย่างนี้จะผิดได้ยังไงเพรานะวันนั้นดูกฎระเบียบมันต่างกันเหมือนแต่ละประเทศอย่างนั้นกฎหมายแต่ละประเทศก็ต่างกัน ในหลักธรรมวินัยก็ต่างกันเพราะนั้นพวกเรามาศึกษาก็ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบทำวินัยที่พระพุทธเจ้าวางเอาไว้จึงเป็นพระที่สมบูรณ์แบบจากนั้นก็ได้กล่าวถึงพิษภัยที่จะเกิดขึ้นภายในวัดของเรามีอะไรบ้างเรื่องพายุฝนหน้านี้มันจะเข้าสู่พายุฝนแล้วให้ระมัดระวังได้ยินเสียงลมเสียงไรมาให้หาที่หลบปลีกมาที่ศาลานี่ดีที่สุดจากนั้นกัสัตว์มีอะไรบ้าง สมชายนะอย่างที่หลวงพ่อพูดนะ่แะแต่สัตว์อย่างอื่นก็ไม่มีปัญหาหรอกพวกงูพวกอะไรก็ไม่เคยมีนะแต่ถึงยังไงก็ให้ระมัดระวังตลอดถึงการเจ็บไข้ได้ป่วยพวกเราก็อย่างที่หลวงพ่อพูดนะมีกฎมีระเบียบภายในวัดใครได้ยินเสียงผิดปกติให้ไปดูกันนะอย่าไปอยู่เฉยไม่ได้นะทีใครทีเรานะต้องช่วยกันนะพวกเราอยู่ด้วยกัน ถ้าพวกเราไม่ช่วยกันไม่ดูแลกันใครจะเป็นคนมาดูแลรักษาเราเนี่ยพอเราไม่มีพี่มีน้องมีพ่อมีแม่แล้วเพราะฉนั้นพวกเรามาอยู่ด้วยกันให้พร้อมเพียงสามัคคีกันให้รักกันเอาไว้เออไม่ใช่ไปทะเลาะองค์นั้นไปทะเลาะองค์นี่ไปทะเลาะคนนั้นคนนี่ผลี่สุดตัวเองเจ็บใขรได้ป่วยมาหาใครมาดูก็ไม่ได้เนี่ยพอเขาเกลียดนะีอย่างนั้นอย่าให้มีเพราะฉนั้นให้รักกันเอาไว้อยู่ด้วยกันมีความพร้อมเพียงสามัคคีกัน ผิดใจตัวเองบ้างไม่เป็นไรอดใจความอดทนพรเราเป็นพระไม่เป็นไรแต่องค์ที่จะทำที่มันไม่ถูกใจนะั่นก็ควรจะบอกกล่าวบอกครูบาอาจารย์บอกหลวงพ่อหนะ่อยหลวงพ่อครับพระองคนั้นองนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนะผมไม่ได้ฟ้องนะแต่ว่าผมมพูดตามความเป็นจริงให้หลวงพ่อในฐานะเป็นหัวหน้าวัดหลวงพ่อจะมีความเห็นว่าอย่างไงหลวงพ่อจะเรียกเข้ามาเออไปอยังไง เป็นอย่างนั้นไหมหลวงพ่อก็จะสืบสอบหลายองค์ดูซะ ก, ก่อนถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงหลวงพ่อก็จะเตือนะแต่เตือนไม่ฟังหลวงพ่อก็จะต้องเอาออกเก็บจะไม่ให้อยู่ภายในวัดเพราะเหตุไรเพราะเรื่องกฎระเบียบต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกับหลวงพอลักนิ้วมือของหลวงพ่อน่ยแต่มันเป็นมะเร็งทํำยังไงจะเก็บไว้เหรออย่างพวกเราเป็นหมอมะเร็งอยู่ในนิ้วมือก็ต้องตัดนิ้วมือทิ้งอันนี้ก็เหมือนกันนะั่นแหละถ้าว่าลูกศิษย์องค์ใดก็ตามถ้านิสัยไม่ดีเกเรทําให้ นักอกหนักใจหมู่พวกเพื่อนที่อยู่ด้วยกันก็ต้องตัดนิ้วมือ น, นิ้วนั้นทิ้งนะถึงจะรักแสนรักก็ต้องตัดทิ้งพราะจำเป็นจะต้องตัดถ้าไม่ตัดไม่ได้มันเสียหายกับหมู่กับคณะนะอันนี้ก็เหมือนกันการปกครองหมู่คณะหลวงพ่อจะใช้ระบบอย่างนี้ระบบนี้คือระบบของหลวงตานะหลวงตาเนี่เด็ดขาดเพราะ ง, งั้นแต่ในการปกครองเพราะนั้นหลวงพ่อถึงจะไม่เด็ดขาดขนาดนั้นก็เถอะนะ แต่ก็ใช้แถวแนวนั้น่ะคือใช้หลักเหตุผลมาปรึกษาปรรพกันก่อนมาสมควรยังไงไม่สมควรยังไงหลวงพ่อจะถามนะพะันการพูดทางนี้ทางนั้นก็เป็นแนวแถวให้พวกเราได้รับทราบว่าการอยู่ร่วมกันให้รักกันเอาไวา้ให้มีความพร้อมเพียงสามัคคีกันเอื้อเฟื้อเ อ, อืเออ้ออารีต่อกันมีน้ำใจต่อกันนั่นหละดะีรับพรณนะัตินี้นะ